กลุ่มโดยดังตรินม่รู้อะไรเข้าสิไมีรู้จริงๆตอนนั้นเมื่ออะไรที่ท่าล้อก็มกักหลือใช้ควาี่ตอนข่ากันง่ายมคําากมายกลับใช้ถอยคําที่มันทิ้มแทนให้เธอปวดใจ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 i t r b t n o e n g h o s h a t not o u